ห้ <59 S 2> า, า, า, รราสิ g เก้า s ันดัที่ที่ทาการไปรสนีอันจลอลวลขัติที่ทาการไปรสนีที่ใกล้ที่สุดอยู่ที่ไหนปกติลอันจัลอลเวลขั้นยังไงยึรดัด ที่ทำการไพรส์นีใกล้จากที่นี่ไหมอนจลอลัวลวัลกัมอิงเกเรนต์มิคต์ตโตลเลวิลอิริระดาตู้ไพรส์นีที่ใกล้ที่สุดอยู่ที่ไหนปกติลทบอลเปตตี้ยังกงยิริระดาดิฉันต้องการสแตมสองสามดวงยานักทบอลทะเลคุลเบนดมุม สำหรับกา๊าซและจดหมายโวร์อัตไตก็มัตรุมโวร์คดีเดอร์ติร์กุ ค, ค้าส่งปรายเสนีไปอเมริการาคาเท่าไหร่อเมริกาวิร์กุทบอลตะไลเ ย, ยบระวพัสดุหนักเท่าไหร่พร์เซลเยบระเวกันมดิฉันส่งทางจดหมายอากาศได้ไหม நான் இதை வான் அஞ்சலில் அனுப்ப ย์เு ம ாใช้เวลานา น, านเท่าไหร่กว่าพัสดุนี้จะไปถึงอัง க ுพอยเชเรย์ยตันย์ยดินังกลดอา gum ดิฉันโทรศัพท์ได้ที่ไหนนานยังไงรันต์ฟอนเซียเยลมุมตู้โทรศัพท์ที่ใกล้ที่สุดอยู่ที่ไหน คุณมีบัตรโทรศัพท์ไหมคะุณั้งีดัมทัลเล่เปซี่คร์ดอีร์ขีรดคุณมีสมุดโทรศัพท์ไหมคะุงังีดัมทเัเลเปซีไดเร็กทอรีอีร์ขีรดคุณทราบรหัสโทรศัพท์ของประเทศออสเตรียไหมคะ ்ุ ள ก க ்ออส ஸ ตรี ர วิน வ อนจ அ ஞ อ ச ลกัก ல ม்เท்รียி ய ูมாรอสักครู่ขอดูก่อนนะคะวัிนี้มิดัม்อร์ตสุลிีเรนสายไม่ว่างตลอดเวลาโทรเลขพิเศษเกิลอุเบย์โอห์ตติเลอร์คุม้มสมิทญีวริกิรคุณต่อเบอร์อะไรนิ่งกัล ย, ยันดา ண ்นดิแ செய்தீர்கள் คุณต้องกด0ก่อนนี่งั้ลวุ่นไซเฟอร์ไดเอล ய ซียเบนด์